และสาขาที่2วิทยาลายการแพ่น informal ไทยมหาวิทยาลายเผคโนโรกภัญทัยประยุกข ures ศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกจร ático รท Arbeits availability 0 2 5921933สถานพยาบาลการแพทย์ผ breasts ใทประยุกสถานพยาบาลการแพทย์พระยุกศูนย์รังสิทธิ์โดยวิทยาลายการแพทย์ผร threw 주�었습니다 zob มห α วิทยาลายเผคโนโรก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 ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ราย ก, <are> ออการอิงลิชเราอยู่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยระบบ FM ความถี่แปดสิบเก้าจุดห้ามิเกรเฮิร์สเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชลุกนาจินสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราออกอากาศในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งเป็นประจำ ทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุธที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะมีเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะมาฝากท่านผู้อฟังค่ะค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ have นะคะหรือ has เนี、H、่ยค่ะ h-a-v-e นะคะกับ h-a-s คะ่ะ have has นะคะซึ่งความหมายของคำเนี้ยแปลว่ามีคะ่ะ แต่เมื่อนำไปผนวกเข้ากับคำบางคำนะคะก็จะทำให้แฮชเนี่ยกลายเป็นสํานวนอืดไปได้ค่ะ เดี๋ยวเราลองมาติดตามรับฟังกันดูเลยนะคะค่ะ half นะคะ half เนี่ยเราอาจจะใช้กับมื้ออาหารได้นะคะอย่างเช่น half breakfast half breakfast ความหมายก็จะแปลว่าการกินอาหารเช้านะคะแต่ถ้าเป็นช่วงอาหารเที่ยงนะคะเราก็จะเป็น half lunch half lunch นะคะส่วนอาหารเย็นนะคะ dinner เราก็จะนะคะใช้ half มาควบคู่ได้เป็น half dinner ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาหารเนี่ยเราจะใช้ verb to have เนี่ยเข้ามาช่วยในประโยชน์ได้ค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ have นะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็น have a party have a party อันนี้นะคะจะมีความหมายว่าจัดเลี้ยงนั่นเองค่ะมีงานเลี้ยงนะคะมีการสังสรรค์นกันเกิดขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็น have a meeting have a meeting อันนี้ก็คือมีการประชุมนั่นเองค่ะจัดประชุม have a competition Have a competition อันนี้มีความหมายว่ามีการแข่งขันกันเกิดขึ้นค่ะค่ะสำนวนที่ใช้ have นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คืออย่างเช่น have a lessons have a lessons แปลว่ามีเรียนค่ะใช้ have a lessons นะคะถ้ามีสอบนะคะเราก็ใช้ verb to have ได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น have an exam have an exam นะคะหรือนะคะการมี กันมีนัดนะคะกันมีนัดหมายนะคะก็จะเราก็จะใช้ประโยคว่า have an appointment have an appointment ค่ะต่อมานะคะอนจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มกันบ้างนะคะ have coffee have coffee อันนี้นะคะเป็นสำรวนหมายถึงดื่มกาแฟนั่นเองค่ะ have tea have tea อันนี้ก็จะแปลว่าดื่มชาค่ะ Half ในบริบทนี้นะคะเราไม่ได้แปลว่ามีนะค ะ, เ ร, ะ, ะ, คะเราจะแปลว่าดื่มนั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะแปลให้ตรงกับบริบทแล้วก็สถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนะค ะ, ะถ้าเกิดว่าเรามีการรับประทานแซนด์วิชนะคะเป็นของว่างนะคะ Have sandwich I have sandwich นะคะคืออันนี้ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยกินแซนด์วิชนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่ามีแซนด์วิชนั่นเองค่ะค่ะ สำนวนที่ใช้กับ half ต่อมานะคะจะเป็นอย่างเช่น have a shower, have a shower ก็คืออาบน้ำกระฝักบัวนะคะแต่ถ้าเราอาบน้ำในอ่างอาบน้ำนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น have a bath, have a bath นะคะก็คืออาบน้ำในอ่างอาบน้ำค่ะนะคะถ้าไว่ายน้ำนะคะเราก็จะเป็น have a swim, have a swim ค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างประโยคที่ใช้ร่วมกับ half นะคะเช่น can I have a cup of tea Can cup have a cup of tea? I of 何่り何あะ何あり何あり何あり何あり何あり何あะ何あり何あะ何あり何あり何あり何あり何あり何あり何あะ何あり何あり何あり何あり何ありะあり何あり何あり何あり何あり何あり何あり何あり何 t り何あり何あり何あり何あり何あり何あり何あり何 a り何あり何あり何あり何あり何あ a 何あり何ก็คือฉันขอดูหน่อยได้ไหมค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ I like this bike I like this bike Can I have a go? Can I have a go?、まあはい evet、このバイクを見ることができます。私はこのバイクを見ることができます。私はこのバイクを見ることができます。私はこのバイクを見ることがでนます。私は a のバイクを見ることができます。私はこのバイクを見ることができます。私はこのバイクを見ることができます。私はこのバイクを見ることอできます。私はこのバイクを見ることができます。私はこのバイクを見ること h できます。e はこのバイク t 見ることができます。o はこのバイクを見 e ことが e きます。私はこのバイクを見ることができます。私 I don't have the time. ーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニー I ャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャン私ーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャンニーシャ สำนวนนะคะสำนวนปตัดผมก็คือ have my hair cut นั่นเองค่ะค่ะสำนวนต่อมานะคะ have a word นะคะ have a word นะคะเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคนะคะ、mm hmm. could I have a word with you could I have a word with you นะคะแปล ว, ว่าฉันเนี่ยขอคุยกับขอคุยกับคุณใหน่อยได้ไหมก็คือ have a word นั่นก็คือความหมายคือขอคุยค่ะ ต, ตัวอย่างต่อมานะคะ Are you going to the party? Are you going to the party? คุณกำลังจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์ใช่ไหม Have a good time Have a good time ก็คือสำนวนที่เราโวยพรเพื่อนนะคะว่าขอให้สนุกนะ Have a good time ค่ะ Have a moment นะคะใช้ have กับ a moment นะคะแปลว่าคุณมีเวลานะคะนี้เราลองมาแต่งประโยคนะคะ Do you have a moment? I want to tell you about your child I child want want about have a about have a moment? moment? to tell to tell you about your child. ะะ Do you you about your Do you どんなに大きな音がするのか ประโยคไวพร์นะคะขอให้คนที่เรารู้จักนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะเราก็จะบอกว่า have a good journey have a good journey ค่ะหรือขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอีกประโยคก็คือเราจะเปลี่ยนเป็น have a good trip have a good trip ค่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ have got นะคะกับ has got นั่นเองค่ะ Have got has got นะคะยังคงมีความหมายว่ามีเช่นเดียวกันนะคะส่วนมากจะใช้ในการสนทนานั่นเองค่ะเดี๋ยวลองมาติดตามตัวอย่างการใช้ have got has got กันดูเลยนะคะค่ะการใช้ have got หรือ has got นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันเนี่ยมีสุนัขสองตัวฉันมีสุนัขสองตัวนะคะเราก็แต่งประโยคว่า I have got two dogs หรือ I got two dogs ค่ะเราก็ควบเสียงไปเลยได้นะคะ ตัวอย่างต่อมานะคะ I've got thirty minutes so we can talk อีกหนึ่งครั้งนะคะ I've got thirty minutes so we can talk มีความหมายว่าผมผ ม, มีเวลาให้สามสิบนาทีนะดังนั้นเราก็ยังคุยกันได้อยู่ค่ะค่ะหรือเราจะใช้ถามว่าคุณเนี่ยมีพี่น้องไหมอย่างเช่นหรือคุณเนี่ยมีพี่สาวไหมนะคะเราก็จะแต่งประโยคว่า Have you got a sister? Have you got a sister? ก็คือคุณมีพี่สาวไหม ค่ะถ้าจะบอกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ she's got a cold she's got a cold มีความหมายว่าหล่อนเนี่ยเป็นหวัดอยู่ค่ะค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเราจะพูดว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินเลยนะคะโดยแต่งประโยคโดยใช้ has got นะคะตัวอย่างนะคะ he hasn't got any money he hasn't got any money ก็คือเขาเนี่ยไม่มีเงินเลย สรุปแล้วนะคะคำว่า have has นะคะมีความหมายว่ามีนั่นเองค่ะก็คือใช้ได้ทั้งภาษาพูดนะคะเราก็ภาษาเขียนนั่นเองค่ะ have นะคะเราจะใช้กับประธาน i นะคะ u v d นะคะที่เป็นพระหูพจน์ส่วน has นะคะ has นะคะเราจะใช้กับชื่อคนคนเดียวนะคะเราก็ประธานที่เป็น he she it นะคะคนคนเดียวที่เป็นบุตรที่สามนั่นเองค่ะ ส่วน have got, has got นะคะเราก็ใช้บ่อยนะคะในภาษาพูดนะคะสนทนาที่ไม่ได้เป็นภาษาเขียนหรือว่าเป็นทางการสักเท่าไหร่นักนะคะก็คือใช้ได้ทั่วไปนะคะกับคนที่สนิทก็ได้ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับคำว่า have หรือ has got นั่นเองค่ะ และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.prasangridonline.com slash การใช้ half-ask ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพลักฟังเพลงเพราะพอต่อสงสถานี้แล้วกลับมาพบกับพวกเรานะคะในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามฟัไงไกร์ได้นะคะ So I can, Daddy. Probably my human time, me. Chant, have you high, Jay? Baby, tonight, turn out. Rocking, Daddy. Shin, no, tumming, I find the third way. By, took tea, teaching love. Shin, me to hear the rock. Thank、you You're more r o c a n i Baby, baby, y o r e the s h e r a n i Baby, baby, girl, can you be my world? c Baby, baby, girl, you're t h world. Baby, baby, girl, y o u d You're t You're world. y w o r t w the o r l y o t h l o u e h e world. y o u r h e w r u t I e w o r t world. t h o r l y o w o r l o u e t y o u r t o r l y o u the w o l o u e w o y o u e the o r y t e w o d y u r h e l y o u e y o u e t e r y d y y I in shed, I waited. Yah, you know, deal a muddy in my kitchen. Turtle, one, bog, racket, titty, mate. To have a fast like a young head, be prompt. I bog, right, turtle, one, d y i n รู้ที่ลำมาได้ยินไหมอาบคิดถึงเธอทุกวันบอกรักกันที่ได้ไหมถ้าหากว่าฟ้าสลายก็ยอมหายไปพร้อมเธอพี่พี่ตะพันบัวมหาวิทยาลายเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบุรีแหล่งเรือนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชื่องอนุรักษ ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่และพันธุ์บัวที่ชนะ ก, การประกวดในเวทีระดับโลกอีกมากมายบนพื้นที่กว่ายี่สิบไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Activity In Museum การจัด ก, กิจกรรมและให้ความรู้เรื่องบัวตำรับอาหารจากบัวผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัว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 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th แร่การ English Around You สนับสนุนแร่การโดยคณะสิลปษาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญาบุรีมุงมันที่จะผลิตสัพยากรบุคคลให้เป็นบันดิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการรงแรมและภาษาอังเกร็จเพื่อการสื่อสารยังมีคุณภาพ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 วันนี้นะคะที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการใช้ have to นะคะและ has to ค่ะว่าเราจ ะ, จะใช้อย่างไรได้บ้างนะคะค่ะ have to นะคะมีความหมายว่าต้องนั่นเองค่ะ has to ก็แปลว่าต้องเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I have to go now I have to go now My dad is waiting for me My dad is waiting for me。ยนนี้ะะะคะมคปยวนแลวนะ、I、have dad waiting have me. have sleep to to to go now. My dad is waiting for My is นนะะ least ร You have to sleep at least seven hours นะคะความหมายของประโยคนี้คือคุณเนี่ยนะคะจะต้องนอนนะคะหรือจำเป็นต้องนอนเนี่ยอย่าง17ชั่วโมงค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ She has walked the dog this eveningShe has walked the dog this evening, dog this evening ประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าหล่อนจะต้องพาสุ น, นะัตไปเดินเล่นในเย็นนี้นั่นเองค่ะสำนวน walk the dog นะคะ มีความหมายว่าพาสุนัขไปเดินเล่นนั่นเองค่ะค่ะประโยคตัวอย่างต่อมานะคะ He hasn't got a car so he had to take the bus to school อีกหนึ่งครั้งนะคะ He hasn't got a car so he had to take the bus to school ประโยคนี้ความหมายคือเขาเนี่ยไม่มีรถยนต์นะคะ he hasn't got a car so he has to take the bus to school ก็คือดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องโดยสารรถบัสไปโรงเรียนค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็จะเป็นการใช้คำว่า like นะคะกับ prefer นะคะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะคะว่า มีการใช้ได้ในบริบทไหนกันบ้างเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะด้วยคำว่า like ก่อนนะคะถ้าเราเนี่ยจะพูดว่าฉันชอบเดินไปโรงเรียนนะคะเราอาจจะใช้ประโยคว่า I like to walk to school I like to walk to school นะคะ ในที่นี้นะคะเราใช้ to ตามด้เวย verb ช่ปสองที่หนึ่งก็คือใช้ to ตามด้วย walk นะคะแปลว่าฉันชอบเดินไปโรงเรียนนะคะแต่เราใช้ to ของ verb หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งประโยคนะคะถ้าเราบอกเราฉันชอบเดินไปโรงเรียนอีกหนึ่งประโยคเราจะใช้ว่า I like walking to school I like walking to school ะะแปลความหมายเหมือนกันเลยแปลว่าฉันชอบเดินไปโรงเรียนค่ะแต่ในที่นี้นะคะในประโยคที่สองนะคะเราใช้ like ตามด้วย verb-ing ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนะคะใช้แบบ to ตามด้วย verb หนึ่งนะคะใช้ like ตามด้วย to verb หนึ่งหรือใช้ like เนี่ยตามด้วย verb-ing ก็ได้นะคะ และนอกจากนั้นแล้วนะคะที่เราใช้กันบ่อยนะคะเราก็จะใช้คำว่า like นะคะตามด้วยคำนามนั่นเองค่ะเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันชอบกินข้าวผัดที่ใส่ไส้กรอกเยอะๆนะคะเราก็จะบอกเขาว่า I like fried rice with a lot of sausages I like fried rice with a lot of sausages ก็คือฉันเนี่ยชอบกินข้าวผัดที่ใส่ไส้กรอกเยอะๆนั่นเองค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าชอบเดินไปโรงเรียนนะคะมากกว่านั่งรถเม้นะคะแน่นอนนะคะเราจะไม่ได้ใช้คำว่า like แล้วนะคะเรามีการเปรียบเทียบในสิ่งของสองสิ่งนะคะเราจะใช้คำว่า prefer prefer เข้ามาแทน tin เองค่ะเพราะคำว่า prefer นั้นน่ะมีความหมายว่าชอบมากกว่านั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราลองมารับฟังตัวอย่างนะคะแล้วก็โครงสร้างของกริยา prefer กันดูนะคะค่ะเรานะคะจะใช้นะคะคำว่า prefer นะคะใช้นะคะโครงสร้างคือ prefer something to something ค่ะเช่นนะคะ I prefer high heel shoes to trainers I 私はハイ e r ルを持っていたのです。私はショップの外に行くのです。私はハイヒールを持っていたのです。私はハイヒールを持っていたのです。私はハイヒーครงสรいางต่อはาของ p r e f e いนะคะเはาจะใช้ p r e い e r นะคはตามด้วยっていた ing นはคะ prefer d い i n g s o は e t h i n g to d い i n g s o は e t h i n g นั่いเองค่はตัวอย่างนいคะ I p r は f e r w a l k i n い to s c h は o l to t a k i n い a bus อีกหนึ่งครั้งนะคะ I prefer walking to school to taking a bus มีความหมายว่าฉันชอบเดินไปโรงเรียนมากกว่านั่งรถเมล์นั่นเองค่ะค่ะโครงสร้างต่อมาที่เราจะใช้ prefer ได้นะคะเราอาจจะใช้ prefer นะคะเป็น prefer to do something rather than do something ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I prefer to drive rether travel prefer drive rether travel than to than than by bus In by bus ะะมมนนะะ I カกกะะกกーガンシープリフォーネカーダーボリボーティーラウニャーローセンティーハイルギュラウネカワーショーパーライマーカー เราเนี่ยอาจจะพูดแค่สิ่งนั้นสิ่งเดียวก็ได้ค่ะเช่น I prefer hamburger I prefer hamburger มีความหมายว่าฉันเนี่ยชอบแฮมเบอร์เกอร์มากกว่าค่ะ โดยที่ประโยคนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องบอกว่า I prefer hamburger to จุดจุดจุด to salad อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์มากกว่าสลัดเราไม่ต้องขยายขนาดนั้นก็ได้ค่ะเพราะในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นอันรู้กันอยู่แล้วนะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังค่ะ สรุปนะคะการใช้ like นะคะ like e นะคะจะเป็นการบอกนะคะความชอบที่ชัดเจนนะคะว่าเราเนี่ยชอบสิ่งนี้นะคะแต่ในขณะที่นะคะคำศัพท์คำว่า prefer เนี่ยที่แบบว่าชอบมากกว่าเนี่ยนะคะจะเป็นการบอกความชอบนะคะในกรณีที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกนะคะว่าถ้าเราเนี่ยเลือกเราจะต้องเลือกสิ่งนี้ค่ะ และอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจนะคะจะเป็นรูปแบบการใช้ would prefer นั่นเองค่ะ would prefer เนี่ยมักจะใช้ในกรณีนะคะหรือสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าค่ะเช่นการพูดจากสถานการณ์ตอนนั้นเลยไม่ใช่แค่การพูดเรื่องทั่ ว, วไปนะคะเหมือนกับการใช้ prefer ซึ่งโครงสร้างของ would prefer นะคะก็จะตามด้วย to do นเองค่ะ would prefer to do ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะค่ะตัวอย่างประโยคค่ะอย่างเช่นนะคะเราจะพูดว่าฉันเนี่ยอยากจะอยู่บ้านมากกว่าจะไปดูหนังนะคะเราก็จะแต่งประโยคนะคะโดยใช้ would prefer นะคะ่ะ I would prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema ?I would prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema? かまやきゃんやきゃんやきゃんやきゃんやきゃんやきゃん e きゃんやきゃんやきゃันอゃากจゃอยูゃบ้าゃมากกว่า I would prefer to stay home tonight rather than なきゃまか Go to the cinema がきゃまかわきちゃぱいどなか。 หรือถ้าในกรณีที่รู้กันอยู่แล้วนะคะเช่นถ้าเพื่อนเนี่ยชวนเราไปดูหนังนะคะแต่เราบอกว่าอยากอยู่บ้านมากกว่าเราก็อาจจะบอกแค่ว่า I would prefer to stay at home I would prefer to stay at home พูดแค่นี้นะคะก็เป็นที่เข้าใจได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะหรือเราอาจจะใช้คำนามนะคะมาตามหลังนะคะ Prefer ได้นะคะอย่างเช่นนะคะ ตัวอย่างคำถามนะคะ Would you prefer tea or coffee? Would you prefer tea or coffee? ความหมายก็คือคุณเนี่ยจะรับชาหรือกาแฟดีในที่นี้นะคะเราจะใช้วูดนะคะขึ้นต้นประโยคนะคะตามด้วยประธานนะคะตามด้วย prefer นะคะหลังจากคำว่า prefer นะคะก็จะเป็นคำนามนะคะในที่นี้เราเอาคำว่า tea กับ coffee นะคะมาใส่นะคะข้างหลัง prefer ะคะ่ะความหมายประโยคนี้คือ คุณเนี่ยจะรับชาหรือกาแฟดีคะคะคำตอบนะคะเราก็อาจจะตอบไปว่ากาแฟพีซกาแฟพีซก็คือรับกาแฟแล้วกันค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวอร์ไวย์เว็บดอทภาษาอังกฤษดอทคอมค่ะ ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการเอ็งดิสราลอยได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาตีตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกอากาศระบบ FM、MM、ความถี่ 89.5 เมกะเฮิร์ตคลื่นเทคนโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต